จเจริญพรท่านผู้มีจิตสัมภามีความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกทกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักรา2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างอยากทารกิจการหานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติมาศึกษาพระธมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมีศรัทธาความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตับสรู้จริงหรือเป็นผู้รู้ธรรมะที่ทำให้สรรเกอได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ได้พบกับความสุขอย่างแท้จริงและเชื่อในชะตาำคำสอนว่าเป็นคำสอนที่จะนำพาให้ผู้ปฏิบัติได้ไปสู่ความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายสิ้นสุดแห่งการเวียนว่าชายาเกิดและพบความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวัน ไปและเชื่อในพระอริยสงสารวพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไปและได้ทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนอันประเสริฐ ของพระพุทธเจ้าแทนพระ พ, พุทธแทนพระพุทธเจ้าต่อไปโ ด, โดยโดยลำดับมาจนถึงปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาที่ยังเจริญ่งเรืออยู่ก็เพราะว่ายังมีผู้มีจิตศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนแล้วนำเอาไปปฏิบัติด้วย สุปฏิปันโน อ, อุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิปตปฏิปันโนจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธศาสานาของเราจึงยังมีคู่อยู่กับสามโลกคู่อยู่กับโลกได้ด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุคือศรัทธาความเชื่อ แล้วก็ศึกษาปฏิบัติจนได้บรรลุเมื่อบรรลุแล้วก็สามารถเผยแพร่คำสอนที่เป็นความจริงได้อย่างถูกต้องแม่นยำผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาก็จะเกิดศรัทธาเกิดฉันทะวิริยะเกิด จ, จิตตะวิมังสาคือเกิดอิทธิบาทสีที่จะ น้อมน้น้อมน้อมเ อ, อ, อ, อาพระธรรมคำสอนอันประเสริฐนี้ไปปฏิบัติไปพิสูจน์ว่าเป็นความจริงดังที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสไว้หรือไม่ผู้ที่ได้ปฏิบัติได้บรรลุทุกๆคนก็จะไม่มีใครมาคาัดค้านความจริงของพระุตรคำของคาสอนของพระพุทธเจ้าเลย เพราสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงและเป็นอาการวิโกะคือไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลาไม่ได้เสื่อมไม่ได้หมดไปกับการเสด็จาริยานิพานของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แหลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปพุทธศาสนิกชน จะไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระศาสดาเพราะว่าพระศาสดาก็คือพระธรรมคาสอนนี่เองถ้าเรายึดมั่นในพระธรรมคาสอนและปฏิบัติจนปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้านี้นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ใจของผู้บรรลุธรรมนั่นเอง ใจของผู้บรรลุธรรมกับใจของพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนกันคือมีปัญญามีความเห็นที่ตรงกันคือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงมีเกิดแล้วต้องมีจากไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราผู้ปฏิบัติได้เห็นอย่างนี้แล้ว ก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราปล่อยวางก็จะไม่ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องมีการเกิดมีการดับมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนี้สัตว์โลกอย่างพวกเราที่มีความทุกข์กันก็เพราะว่าเราขาดแสงสว่างแห่งธรรมนี้เองเราไม่เห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้า และพระอริยสงสารโลทั้งหลายเห็นกันคือเห็นว่าสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดและดับไปนั้นก็ไม่ได้มาจากที่ไหนนอกจากมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟธาตุสี่นี้ไม่ได้เป็นตัวตนของใครทั้งนั้น ไม่ได้เป็นสมบัติของใครทั้งนั้นเป็นธาตุสี่เหมือนเดิมมารวมกันเช่นร่างกายมารวมกันก็ปรากฏเป็นอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายหยุดทำงาน <c oughs> ก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมคือธาตุสี่ิ่นน้ำลมไฟ ร่างกายนี้จึงไม่ใช่เป็นตัวเราของเราไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นเพราะเป็นของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ mm hmm. เช่นเดียวกับสบรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ mm hmm. ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไว้ครอบครองเป็นสมบัตนี้ mm hmm. เป็นธาตุสีทั้งนั้นมาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นแล้วก็ไม่เที่ยง คือจะไม่อยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งเขาหรือเราก็จะต้องจากกันไปเป็นธรรมดาแต่เราผู้ที่มาครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ได้จากไปกับสิ่งต่างๆแบบนี้เราเป็นผู้ที่มีอายุที่ถาวรคือไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเพียงแต่ว่าเรามาหลงยึดติดกับร่างกาย ที่มีวันแก่วันเจ็บวันตายแล้วก็ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราพอร่างกายเป็นอะไรไปเราผู้ที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกลับไปเดือดร้อนแทนร่างกายที่รัที่ไม่เคยเดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเลยร่างกายเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขาแก่ เขาเจ็บเขาตายผู้ที่รู้คือใจคือตัวเรานี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่กับกัวแทนร่างกายเจ็บแทนร่างกายพราขาดปัญญานี้เองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสู้ความจริงนั้นี้พวกเราก็จะหลงยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาเป็นสมบัติ ตั้งแต่ร่างกายของเราเบื้องต้นเราก็จะได้ร่างกายก่อนเมื่อได้ร่างกายแล้วต่อไปเราก็จะได้ข้าวขอ ง, งต่างๆเช่นเสื้อผ้าสิ่งขอ ง, งต่างๆที่พ่อแม่ให้กับเราแล้วเมื่อเราโตจนสามารถทำมาหากินหาสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองเราก็ไปหาสิ่งต่างๆมาเพิ่ม หาบ้านหารถยนต์หาข้าของต่างๆมาเพิ่มแล้วเราก็หาคู่ครองมาเพิ่มได้สามีได้ภรรยาแล้วก็ได้บุตรได้ที่ดาจากนั้นก็ได้หลานได้เหลนตามมาตามัำดับแต่ทั้งหมดสิ่งที่เราได้มานี้ก็ล้วนเป็นเพียงธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟทท้านั้น ร่างกายของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นของปู่ย่าตายายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของสามีภรรยาของลูกของหลานของเหลนก็มาจากดินน้ำลมไฟเั้านั้นเป็นดินน้ำลมไฟเวลาตายไปก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟแต่พวกเราไม่เห็นกันไม่ยองพิจารณากัน มองเห็นร่างกายก็จะเห็นว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันเป็นเพื่อนกันไม่เคยมองเลยว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนตุ๊กตาที่ทำมาจากวัสดุต่างๆเป็นตุ๊กตาที่เดินได้พูดได้ทำอะไรได้แต่ต้องมีใจเป็นผู้สอนผู้สั่งให้ทำ ถ้าไม่มีใจสอนสั่งให้ทำร่างกายก็จะทำอะไรไม่ได้ออกมาจากท้องแม่ถ้าใจไม่สอนให้ร่างกายคุกคลานยืนเดินวิ่งร่างกายก็จะเดินไม่ได้ผู้ที่สอนให้ร่างกายนี้คือใจโดยอาศัยร่ำเรียนจากผู้ น, น, นิจต่อเช่นเรียนจากพ่อจากแม่ที่สอนให้รับประทานอาหาร ให้ดื่มน้ำสอนให้อาบน้ำอาบท่าสอนให้ขับท่ายสอนให้คลานสอนให้เดินสอนให้ยืนสอนให้เดินสอนให้วิ่งสอนให้พูดเหล่านี้เป็นการเรียนรู้ของใจแล้วก็นำเอามาถ่ายทอดให้กับร่างกายร่างกายจึงสามารถทำอะไรตามคำสั่งของใจได้อย่างรวดเร็ว เพียงคิดว่าจะลุกก็สามารถลุกขึ้นมาได้แล้วเพียงคิดว่าจะไปหยิบอะไรมาดื่มมารับประทานก็ทำได้แล้วแต่การกระทำเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการกระทำของร่างกายเพราะร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่มีความรู้สึกนึกคิดอยู่ในร่างกายถ้าไม่มีใจมาครอบครองเช่นเวลาคนตายไปแล้วใจได้ออกจากใจได้ตัด ตัดความสัมพันธ์ตัดการตัดการติดต่อกันแล้วก็จะไม่สามารถทำอะไรได้คนตายนี้จะต้องอาศัยให้คนอื่นแบกลรือหรือพาไปตามที่ต่างๆเช่นยกใส่โรงขนไปไว้ในเมนเพื่อที่จะได้เผาและก็ในที่สุดก็จะเหลือแต่เศษขี้เถ้า และเศษกระดูกเท่านั้นนี่คือเรื่องของร่างกายของทุกๆคนไม่ใช่เป็นใครเลยเป็นเพียงดินน้ำลมใสแต่เราไปหลงคิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่ความจริงเป็นเพียงสมบัติของพ่อของแม่ชั่วคราวเป็นเหมือนตุ๊กตาของพ่อของแม่ของพี่ของน้องเป็นตุ๊ ก, กตาที่จะต้องในที่สุดจะต้องตายไป แต่เจ้าของตุก๊กตานั้นไม่ได้ตายไปกับตุก๊กตาไม่ได้ตายไปกับร่างกายเจ้าของตุก๊กตาก็ต้องไปต่อถ้ายังมีบุญมีบาวยังมีกิเลสตัณหาก็จะลาไปให้ไปรับผลบุญผลบาตต่อไปถ้าฉลาดถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังก็ทคําสอน ก็จะมาสอนใจให้ฉลาดให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราถ้าไปยึดติดไปหลงว่าเป็นของเราก็จะเกิดความอยากให้อยู่กับเราเมื่อมันไม่อยู่กับเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาคนฉลาดเมื่อเห็นความจริงอันนี้ว่า ถ้าไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็จะต้องทุกข์ทรมานใจถ้าไม่อยากทุกข์ทรมานใจก็จะไม่อยากไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้พอตัดความอยากตัดความยึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ได้แล้วใจก็จะไม่ไปไหนอีกต่อไปไม่ไปไขว่ควา้าหาร่างกายอันใหม่อีกต่อไป ใจก็จะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับสิ่งต่างๆอีกต่อไปเหมือนกับที่พวกเรายังทุกข์กันอยู่พอใจของเรายังไม่ได้ตัดความยึดติดยังไม่ได้ตัดความอยากเห็นอะไรชอบอะไรก็จะยึดติดทันทีอยากได้ทันทีได้มาแล้วก็อยากจะให้อยู่ไปกับตนนานๆอยากจะให้อยู่ไปตลอดแต่พอมีอะไรมากระทบ กับความอยากคือจะทำให้ต้องสูญเสียสิ่งที่มีหรืออยากได้ไปก็จะเกิดความทุกข์ทรมนานใจขึ้นมานี่คือความทุกข์ของสรรโลกความทุกข์ของพวกเราทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆในโลกนี้แต่เกิดจากความโง่ความหลงของของพวกเรานี่เองที่ไปหลงยึดไปติดกับเขาว่า เป็นของเราเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีเป็นตัวเราของเราแล้วก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆไม่อยากให้เขาจากเราไปแต่ความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มีเกิดก็จะต้องมีดับไปทุกสิ่งทุกอย่างจึงไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงถ้าเป็นของเราก็เป็นเพียงชั่วคราวพอถึงเวลาที่เขาจะต้องจากไปก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วร่างกายของพ่อของแม่พอตายไปแล้วก็จะกลายเป็นของศัตรูเหลือไปแล้วก็จะกลายเป็นของดินน้ำลมไฟไปตามลำดับต่อไป นี่คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุ้แล้วนำเอามาถ่ายทอดสั่งสอนให้แก่พวกเราผู้ที่มีศรัทธาและมีปัญญาความฉลาดที่สามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้คือเอาไปสอนใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้อยากได้สิ่งต่างๆไม่ให้อยากเป็นสิ่งต่างๆ ไม่ได้อยากให้สิ่งต่างๆอยู่กับตนไปตลอดถ้าทำได้แล้วใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ซึ่งก็มีผู้ที่สามารถทำตามพระพุทธเจ้าได้นับเป็นจำนวนมากตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงความจริงอันนี้ให้แก่สารโลกก็ปรากฏมีพระสาวกอรหันปรากฏขึ้นเป็นจำนวนมาก เพียงในเวลาเพียงเจ็ดเดือนแรกก็ปรากฏมีพระอาหารหันตาสาวุอย่างน้อยก็ 1,250 รูปที่หลังจากที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปคลทิศคลทาง เพื่อเอาความจริงอันนี้ไปเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้แล้วหลังจากนั้นพอดีเป็นวันเพ็ญเดือนสาก็เกิดมีความศรัทธาหรือเกิดความปรารถนาที่อยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นันหมายกันในวันเพ็ญเดือนสาของ เจ็ดเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกก็ปรากฏมีพระอาหารหันตสาวก1250รูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิตต่างๆโดยที่ไม่ได้ทัดหมายกันไว้ก่อนวันนั้นเราเรียกกันว่าวันมาพระบูชาเนื่องจากว่าเป็นวันเพ็ญเดือนสาม ที่มีชื่อว่ามาคะนั่นเองสมัยโบราณสมัยพุทธกาลวันเพ็ญเดือนที่สามนี้จะเรียกว่าเดือนมาคะพอดีวันนั้นเป็นวันที่มีเหตุการณ์อันมหัศจรรย์ใจที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ก่อนก็คือการมารวมตัวของพระอารหันต์ถึง1250รรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้า เพื่อมารับพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าจะให้นำเอาไปเผยแผ่แก่สัตว์โลกก็คือทรงสอนอยู่สามประการด้วยกันว่า 1. ให้ล่างบาปทั้งปวง 2. ให้ทำบุจทั้งหลายให้ถึงพร้อม 3. ให้ชำระจิตใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์คำสอนทั้งสามประการนี้ เป็นคำสอนของพ่พุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ากี่องค์มาตรัสรู้และมาเอยแผ่คำสอนให้แก่สรรโลกก็จะสอนคำสอนทั้งสามข้อนี้เช่นเดียวกันสอนให้ละบาปสอนให้ทาบุญสอนให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผู้ที่น้อมเอาคำสอนนี้ปฏิบัติ ดีปฏิบัติชอบก็จะสามารถทำให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่าตายเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายจากความพัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปได้นี่เป็นสิ่งที่พวกเรามีความศรัท ธ, ธากันมีความเชื่อกัน จึงทำให้พวกเรามาวัดกันอย่างสม่าเสมอเพื่อที่มาปฏิบัติภารกิจทั้งสามข้อนี้เช่นวันนี้ญาติโยมก็นำอาหารขาวหวานต่างๆมาถวายพระอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทาบุญแล้วก็รักษาศีลกันไปตามฐานะบางท่านก็รักษาศีลหบางท่านก็รักษาศีลแป บางท่านก็รักษาศีลส2งแล้วแต่กำลังแห่งสติปัญญาวิริยะศรัทธาของแต่ละท่านถ้ามีกำลังมากก็จะสามารถรักษาได้มากปฏิบัติได้มากให้ได้มากถ้ามีน้อยก็รักษาได้น้อยให้ได้น้อยปฏิบัติได้น้อย แต่ถ้าเริ่มปฏิบัติไปแล้วทำไปแล้วก็เหมือนกับการรับประทานอาหารรับประทานไปเรื่อยๆร่างกายก็จ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นไปไเรื่อยๆถ้าเราหมั่นทำบุญให้ทางอยู่เรื่อยๆรักษาศีลอยู่เรื่อยๆปฏิบัติธรรมคือนั่งสมาธิจเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะมีกําลังเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับ ก็จะสามารถทำบุญได้มากขึ้นรักษาศีลได้มากขึ้นปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นจนในที่สุดก็จะสามารถทำได้เต็มรอยพอทำได้เต็มรอยแล้วมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนเพราะเหตุทั้งสามประการนี้คือการทำบุญราบบาและการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ เป็นเหมือนเมล็ดของผลไม้ที่เราต้องการนั่นเองถ้าเราต้องการส้มเราก็เอาเมาเล็ดส้มไปปลูกไว้ในดินแล้วก็หมั่นรดน้ำพรวนดินคอยดูแลรักษาป้องกันไม่ให้มแมลงมากัดทําลายต้นไม้คอยกาจัดวัดชพืชต่างๆไม่ให้มาแย่งอาหารของต้นไม้ ต่อไปต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตแล้วก็จะออกเป็นผลส้มออกมาชันใดการทําบุญละบาปการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ก็เป็นเมล็ดของมรรคผลนิพพานนี้เองสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้กับพวกเราก็คือเมล็ดของมรรคผลนิพพานแต่พวกเราจะต้องเป็นผู้ที่ นำมามเมล็ดนี้ไปปลูกไว้ในใจของเราปลูกไว้ด้วยความศรัทธาโดวยวิริยะด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยสติแล้วก็ด้วยสมาธิและด้วยปัญญาถ้าเราปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่ามรรคผลมิพานนีจะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะเป็นกฎของกฎแห่งกรรมนี้เอง ก็คือถ้ามีเหตุแล้วก็จะต้องมีผลตามมาถ้าไม่มีเหตุผลก็จะไม่ตามมาถ้าเราไม่น้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติไม่มีศรัทธาความเชื่อที่จะปฏิบัติตามไม่มีความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเรามีศรัทธามีวิริยะ ถ้าลำน้องเอามาปฏิบัติผลจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะได้เกิดขึ้นกับพระอริยสงสาโลกทั้งหลายแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังปรากฏมีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานกันอยู่ด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าส่งอมอบให้มานั่นเองดังนั้นพวกเราอย่าไปลังเลสงสัยอย่าไปปฏิเสธ หรืออยากไปตัดความสามารถของเราโดยอ้างว่าเราไม่ว่าสนาน้อยคนที่อ้างว่ามีวาสนาน้อยแสดงว่าเป็นลูกน้องของกิเลส ข, ของความหลงความหลงจะหลอกให้เราคิดอย่างนี้ว่าเรามีวาสนาน้อยเราไม่มีทางที่จะปฏิบัติได้อันนี้เป็นการปฏิบัติการของกิเลสผู้ที่จะหาวิธีต่อต้าน ผู้ปฏิบัติสู่มรรคผลนิพพานด้วยความคิดต่างๆบางครั้งก็ให้คิดว่ามรรคผลนิพพานนี้หมดแล้วหมดสมัยแล้วสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีใครสามารถปฏิบัติได้แล้วมรรคผลนิพพานนี้มีอยู่กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นถึงจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่ก็เป็นความคิดที่จะหลอก ไม่ให้เราปฏิบัติกันนั่นเองแต่เราต้องใช้คำสอนของพระพุทธเจ้ามาแก้เพราะพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้แล้วว่าคำสอนคือพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้แล้วจะเป็นองแทนของพระพุทธเจ้าต่อไปจะเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าต่อไปถ้าตราบใดยังมีคำสอนอยู่เราก็สามารถนำเอาคาสอนนี้ มาปฏิบัติและบรรลุผลได้เพราะคำสอนก็ทรงตรัสไว้แล้วว่าเป็นอาการวิโก้ไม่เสือ่อมไม่หมดไม่หมดสภาพตามการตามเวลาเหมือนกับสิ่งต่างๆทั้งหลายเช่นยาหรืออาหารเดี๋ยวนี้ยาหรืออาหารที่นำมาจำหน่ายจะมีฉลากติดไว้เสมอเพื่อบอกว่าวันหมดอายุคือหลังจาก วันนั้นแล้วถ้ารับประทานเข้าไปก็จะไม่มีประสิทธิภาพตามที่เขาได้แสดงไว้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีฉลาติดว่าวันหมดอายุมีแต่ฉลาที่ติดไม่ว่าอากาวิโกไม่มีวันหมดอายุมีมีประสิทธิภาพอย่างไรในสมัยพระพุทธกาลก็จะมีประสิทธิภาพอย่างนั้นในสมัยปัจจุบัน สิ่งที่ขาดก็คือศรัท ธ, ธาหรือวิริยะของผู้ปฏิบัติเท่านั้นเองถ้ามีศรัท ธ, ธาและมีวิริยะมีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกเวลานาทีตั้งแต่เตนจนหลับรับรองได้ว่าถ้ามีแล้วจะต้องได้มากผลนิพพานกันอย่างแน่นอนที่ไม่ได้กันก็เพราะว่า มีศรัทธาน้อยมีวิริยะน้อยปฏิบัติกันพอหอมปากหอมคอทำบุญทำทางกันทอหอมปากหอมคอรักษาศีลกันพอหอมปากหอมคอปฏิบัติธรรมกันพอหอมปากหอมค อ, พ อ, อ, ม อ, มคอเพราะยังรักอย่างอื่นอยู่นั่นเองยังรักลาบยังรักลาบยศเสริญยังรักความสุขทางตาหูจมูกมิือกาย ยังรักษามีรักภรรยารักงานรักสมบัติรักบ้านรักอะไรต่างๆที่เป็นกองทุกข์จึงทําให้ไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อยากจะบรรลุมั่งสมนิพนธ์ต้องเกลียดสิ่งต่างๆในโลกนี้เกลียดลาบยศสรรเสริญเกลียดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้เพราะว่าถ้าไปรักเขาแล้วจะต้องทุกข์กับเขานั่นเองถ้าเกลียดเขาแล้วสบายใจเขาจะเป็นอะไรเราไม่เดือดร้อนสังเกตดูคนที่เราเกลียดเราทุกข์กับเขาไหมเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเขาแก่ก็เจ็บเขาตายเวลาก็เดือดร้อนเวลาเขาล้มละลายเราไม่เดือดร้อนเลยเรากลับดีใจสิสบายใจเห็นคนที่เราเกลียดนี้อ พบกับสิ่งทั้งหลายที่ไม่ไม่พึงปรถนาแทนที่เราจะทุกข์เรากับสุขสบายใจแต่ถ้าคนที่เรารักนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วนี่โอ้โหร้องผมร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หละจะเป็นจะตายให้ได้ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับอะไรในโลกนี้ขอให้เรามาเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้รวมทั้งร่างกายของเราด้วยอย่าไปรักมันอย่าไปหวงมัน ร่างกายนี้เกลียดมันไว้ดีเวลามันเจ็บเราจะได้ไม่ไม่ทุกข์กับมันเวลามันแก่เราจะได้ไม่ทุกข์กับมันเวลามันตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเรากลับจะสบาย อ, อกสบายใจเออพักจากมันได้ก็ดีเวลาเราเห็นคนเกลียดจากเราไปเรารู้สึกเป็นอย่างไรร่อง อ, อกร่องใจใช่ไหมนี่แหละคือวิธีการที่เราจะนักบรรลุนักของนิทานได้เราต้องเกลียดในสิ่งที่เราล แล้วเราไปรักในสิ่งที่เราเปลี่ยนแล้วต่อไปใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรถ้าเรารักความแก่รักความเจ็บไข้ได้ส่วยรักความตายเราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บเวลาที่เราตายนี่คือการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกท่านหลายท่านปฏิบัติย้อนสอนของกิเลสตัณหากิเลสชอบอะไรเราต้องเปลี่ยนอย่างนั้น กิเลสเกลียดอะไรเราต้องชอบอย่างนั้นเมื่อเราย้อนสอนกิเลสได้แล้วใจของเราจะไม่ทุกกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นนี่แหละคือเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระธรรมคำสอนและเรื่องของพระอริยสงสารกที่พวกเราฝากเป็นฝากตายไว้ขอให้เราน้อมเอาท่านมาเป็นตัวอย่างน้อมเอาคำสอนของท่านมาเป็นตัวอย่างมาปฏิบัติ และลรับรองได้ว่าผลที่ท่านได้รับก็จะเป็นผลที่เราได้รับเช่นเดียวกันนั่นก็คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายและได้บรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานความสุขที่ถานิจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทาบุญละบาปปฏิบัติธรรมชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยศรัทธาและวิริยะ นี้ให้ท่านได้นำออกไปพิริพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยและมูลคุสมที่ท่านได้มาบังเป็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันน้สุขภพระโดยทั่วหน้ากรามเธอ